ขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับผมขอขามาขอโอกาสขอแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญยญริตปันธิโตเพื่อแสดงธรรมกด <c oughs> ทบบริษัททั้งหลายเพือเปิดใจรับฟังเสียงอัดเสียงรรมวันนี้ขอให้ตั้งใจฟังเป็นภาพปฏิบัติก็แล้วกัน เสียงเร่งเกินไปไม่ดีกล้องขออย่าให้ฟังเป็นแค่เป็นพิกธีขอให้ฟังเป็นภาพปฏิบัติการตั้งใจฟังเป็นภาพปฏิบัตินั้นเราจะต้องนั่งสํารวมภาวนาฟังไปในขณะเดียวกันบางทีฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ตลอดระยะเวลาที่ท่านพูดธรรมะอยู่เราก็ตั้งใจทำความสำรวมระมัดระวังของเราพอถึงเวลาจบปั๊บมีผลรายเหลือจิตค้างอยู่ในใจเรามากมายยังไงยังไงเสียงอัดเสียงทมที่ท่านพูดออกไปท่านแสดงออกไปหูเราไม่ตัดเราต้องได้ยินเงินไขร เหตุผลตรงไหนที่มันไปเกาะติดหัวใจของเรา น, นั่นแหะจะเป็นผลที่ตกค้างเหลืออยู่ในหัวใจของเราในเพราะเราเร่งมากเสียงมันก้องนะพูดไปแล้วจะจะรู้สึกก้อง <c oughs> ต่อไปทุกอยากนะโมตัสสะอะาวะโตอรหโตสมายสมุทัตะนะโมตัสสะ กว่โตอรหะโตสมมาสมบุติศาสนะโมตัสสะปะกวะโตอระหโโาา ะ, ะโ ต, ะโตสมมาสมบุติศาสอนิจจาวัตะสังาราอุปาดวะยัคธมิโนอุปัจิตวานิรุจจันติเตสังุปัโมสุโคติ <c oughs> เรานั่งสำมรวมจอมาที่ใจของเราเราจะได้สำรรมรวมระมัดระวังอยู่กับเนื้อกับตัวมันเป็นการตั้งใจฟังด้วยความระมัดระวังถ้าหากท่านใดถนัดเกี่ยวกับภาวนาก็ตั้งใจภาวนาไปตลอดระยะเวลาสามสิบนาทีสี่สิบนาทีโอ้ได้ผลได้ในสงหลงเหลืออยู่มากมายเยอะแยะ แท้ที่จริงการแสดงธรรมก็คือการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเราตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทล้วนเป็นเครื่องขัดเกลาไม่ใช่เป็นเครื่องพอกพูนกิเล่มันเป็นเครื่องขัดเกลากิเล่มันไม่ใช่เป็นเครื่องเครื่องพอกพูนกิเล่ มันเป็นเครื่องขัดกิเลสในหัวใจของเราพูดถึงกิเลสในหัวใจของเรามันไม่ต่างไปกับสนิมมันมากับเหล็กถ้ารู้คือใจของเรานะผุดบัตขึ้นมาถ้าเราจะสมมติเหมือนกับเหล็กเหล็กที่ยังมีสนิมอยู่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีสนิมติดค้างอยู่ ถ้าหากมันถูกอากาศชื้นบ้างความเค็มบ้างอะไรบ้างมันก็จะออกสนิมได้เร็วสนิมจะออกมากมาเกินปกติถ้ารักษาได้ดีหน่อยก็จะมีความมันไปนานแต่ถ้าหากชะล้างกันถูกสูตรเหมือนอย่างเหล็กสนเหล็กสแตนเลสอย่างนี้ ก็น่าจะคงทนไปนานถึงนานขนาดไหนก็ตามก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแต่กิเลสในใจของเราเน่ถ้าหากเราแค่ทําดีละชั่วแล้วก็ทำดีไม่ตั้งใจทำให้ใจบริสุทธิ์กิเลสก็ยังกอกกินหัวใจของเราอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสตัวนี้ไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เรา เราสร้างเราทำของเรามาเองเนื่องจากว่าเราสั่งสมอบรมมานานระยะเวลาทารู้ผู้รู้คือใจของเราอูบัติขึ้นมาโน่นนานมากแต่ละหัวใจแต่ละดวงแต่ละดวงพัฒนามายังไงตามรูปแบบของท่ารู้ของเรานั่นแหละพุทธเจ้าท่านส่งชี้ไปที่อวิชชาปัจจยาสังขารา พรท่านชี้ไปตรงนี้กลายเป็นว่าอาวิชชาปัจจยาเลยเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมมันเป็นคําท้าทายที่ทําให้พวกเราเนี่ยฝึกหัดปฏิบัติขัดเกล้าเพื่อจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นทั้งในอดีตที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงตรัสเอาไวา้และในขณะปัจจุบันที่เรากำลังนั่งภาวนาซึ่งอยู่หน้า ง, งานจะทําให้เรารับทราบได้ว่าอาวิชชามัมาครอบจิตของเราไดยเมื่อไหร่ตอนไหนเมื่อไหร ท่านนักภาวนาทั้งหลายท่านลองมากําหนดจดจอลองดูท่านที่สนัดพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ท่านที่สนัดสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่าน ท, ท่านที่สนัดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอการที่เรามาตั้งใจปราลบดําริข้ออัดข้ธรรมอย่างนี้มันเป็นการสร้างสติขึ้นมาภายในจิตและมันเป็นการปลุ ก, กจิตให้ตื่นรู้อยู่ทุกขณะ โดยเฉพาะหน้า ง, งานที่เรากำลังปลุกให้ตื่นรู้อยู่ทุกขณะนั้นเหมือนกับเราพยายามขัดเกลาเหล็กของเราให้หมดสนิมขัดจิต ข, จขัดใจขัดกิเลสตัณหาไปในใจของเราให้ให้เบาบาให้หมดไปตราบใดที่เราหลงเผลอปับ๊บขาดสติขาดสัมปชัญญะพุทโธหายแล้วหายไปไหนก็ไมร่รู้ขาดสติกากับ สมาหังหายไปแล้วหายไปไหนก็นไม่รู้พองหนอยุบหนหายไปไหนก็นไม่รู้ถ้าเราขาดสติปับ๊บนี่เราจะเห็นว่าคำว่าวิชาปัจจญาสังขาราเนี่ยมันเป็นหลักปรัชญาชั้นเรื่องที่เรานักปฏิบัติเอามาพิจารณามาใต ร, คร่ตรองวันนี้ท่านทั้งหลายฟังเป็นข้อปฏิบัติเพราระธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่ละบทแต่ลบล้วนเป็นเรื่องขัดเกลาสนิมในหัวใจของเราทั้งนั้น้วยเหตุที่ผู้รู้ธาตุรู้ของเราอุบัติมาไม่บริสุทธิ์ถ้าใจของเราบริสุทธิ์เหมือนอย่างใจของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องมาเกิดด้วยเหตุที่พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนเมาบัตมาเกิดแสดง ว, ว่าเรายังมีกิเลสอยู่ในหัวใจของเรามีมากมีน้อยแตกต่างกันไป ถ้าหากเราบริสุทธิ์แล้วเราไม่ต้องมาเกิดเราไม่ต้องมา อ, อบัติถ้าหากเรารับนับถือพระพุทธศาสนาเราแค่ละชั่วและทาดีแค่นั้นยังไม่พอเราต้องพยายามตั้งใจทําจิตให้บริสุทธิ์ตามหลักที่ท่านพูดไว้ในหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระบาพระพุทธศาสนานั้นหนึ่งท่านให้ละชั่วสอนให้เราท่านให้ทําดี 3สกิปตักรเรียวดัชนันให้ทําใจให้เบาที่สุดคําว่าทําใจให้เบาที่สุ์ก็หมายความว่าพยายามขัดเกลาใจของเราให้หมดสนิมทั้างหนท้่งหนนั่นเองสนิมข้างในใจของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราจะชี้ไปให้เด่นชัดขึ้นว่าสนิมในใจนคืออะไรความโลภความโกรธความหลงอิจฉาดิษยาพยาบาตันหาราคะสิ่งเหล่านี้เป็นสนิมในใจของเรา มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผู้รู้คือธารู้ของเราเนี่แหละสามารถออกไปรู้เหมือนอย่างเราเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยออกไปรู้ทางตาเห็นรูปออกไปรู้ทางหูได้ยินเสียงทางจมูกทางกลิ่นทางจมูกทางลิ้นทางกายไปสัมผัสและก็ทางใจน้อมนึกเป็นธรรมารมธรรมชาติของใจธรรมชาติของผู้รู้ของเราออกไปรู้ปั๊บ มันมีแนวน้มสิ่งที่ดีที่งามมะยึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจปลักออกไปนี่คือสาเหตุต้นต่อทำให้เกิดกิเลสกองหนึ่งคือความโลภ ก, กองหนึ่งคือความโกรธกิเลสความโลภ ก, กับความโกรดนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราขาดการพิจารณารรไตร่ตรองโดยหลักของสัจจ คือสัจธรรมทั่วไปแสดงว่ามีความชอบมีความต้องการตามอำนาจของความหลงคือรู้ไม่จริงเห็นว่าวกวักวแวแแบมบอมแวแมล้ยึดเข้ามายึดเข้ามาไม่ได้พิจารณาดูข้อเท็จจริงว่าคืออะไรเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่รู้จักเพราะไม่ได้จับมาพิจารณาเห็นวักวแหวมแแล้วก็ผลักออกไป ไม่ถูกใจไม่ศบอารมณ์ก็ผลักออกไปไม่ได้จับมาพิจารณาไตร่ลรวนให้ขอใจเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่าความหลงความหลงเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณานี้คือต้นตอสาเหตุให้เกิดความโกรธความโลภความโลภความโกรธและความลุ่มหลงคืนชื่อว่าความลุ่มหลงมันครอบหัยใจครอบธาตุรู้ของเรา เพราะใจดวงนี้มันสะสมมาด้วยตัวงตัวมันเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เราพ่อแม่ท่นานก็ไม่ได้สร้างให้เราครูบาอาจารย์ใครที่ไหนไม่มีใครสร้างใครทําให้เราสิ่งเหล่านี้เราสะสมมาของตัวเราเองไม่มีใครเป็นคนสร้างไม่มีใครเป็นคนมอบหมายไม่มีคนทําให้เราเราสร้างเรามาด้วยตัวของเราเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทงชี้ชัดไปว่าผู้รูร้ของเราคุบัตตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนเมื่อไหร่ ทรงชี้ชัดไปที่อวิชชาปัจจะยาดังที่กล่าวไปนั้นแหละเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมทำให้เราพิสูจน์ย้อนหลังได้ในที่เป็นอดีตที่เราทรงพูดถึงและสามารถพิสูจน์ได้ในขณะที่เราอยู่หน้ า, างานตั้งใจภาวนาเรารู้ได้เลยว่าเราขาดสติขาดสัมผัจัญยัตีไรเมื่อไร่อารมณ์ธรรมที่เราไปกำกับใจของเราน่ะหายไปแล้วหายไปแล้ว รู้ผู้เราบัตมานั้นมีทั้งสิ่งไม่ดีมีทั้งสิ่งดีมาด้วยกันสิ่งที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่คุณสมบัติท่านว่าเป็นกิเลสทั้งธรรมะทั้งกิเลสนี้ให้ผลต่างกันการให้ผลโดยธรรมกับการให้ผลโดยกิเลสเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองพฤติกรรมที่เราแสดงด้วยกาย ด้วยวาจาและก็ด้วยใจอย่าลยมว่าพฤติกรรมยืนเดินนั่งนอนทำพูดคิดกินดื่มทำพูดคิดของเรากลายเป็นพฤติกรรมมีผลตามมาทั้งนั้นที่จะเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมไม่ใช่เราทาไปแล้วสูญเปล่าหายเปล่าไม่มีมีผลคือวิบากกรรมตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เราได้สารวมระมัดระวัง ถ้าเราไม่สังรวมระมาดระวังร้อยจังร้อยเราหลงเคลิอไปกับอํานาจของตันหาที่มันแทรกเข้ามาตันหานี้เป็นจุดเป็นที่รวมของกิเลสตันหาทั้งหลายทั้งปวงตันหาเป็นเหตุทําให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความรุ่มหลงพอเกิดความโลภแสดงกิริยาความโลภเราเห็นเถอะกอดโงยไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จักพอ เกิดความโกรธฆ่าแกงการวินาศฉันตะรไปหมดมรุจิอิมมร้จะพอพอสิ่งเหล่านี้มาวุบวันก่อควรอยู่ในหนัวใจของเรานี่แหละจะเรียกว่าพิษสงของใจพิษสงของใจเป็นมลทินของใจท่านจึงเรียกอีกศัพ์หนึ่งว่ากิเลสกิเลสแปลว่าสิ่งที่เป็นมลทินของใจมันก็มาจากไหนก็มาจากตัณหาที่มากับจิตของเรานี่เอง บาลีที่ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราท่านพูดนั่งประเด็นไปที่กองสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นโดยธรรมและก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปการสงบระงับดับสังขารเหล่านี้ได้เป็นสุขระดับได้ขั้นไหนเป็นสุข ระดับพื้นๆธรรมดาแค่เราเพาหนาใจได้ครับรความสงบก็เป็นสุขระดับโดยลำดับด้วยเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาที่จะเรียกว่วิปัสสนาก็เป็นสุขเห็นโทษเห็นภัยในวัตัุสงสารอย่างเต็มที่พิจารณาทำลายอนุสัยได้หมดสิน้นถึงประมังสุขขังความสุขโดยลำดับเราสามารถแสวงหาได้จากธรรมของพระพุทธเจา้า จะอธิบายเรื่องกองสังขารคำว่ากองสังขาร น, นั้นคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันรูปธรรมของเราเป็นกองสังขารเราดูมาที่รูปธรรมคือร่างกายของเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบกันนี่เป็นกองสังขารรูปกองสังขา น, นามคือใจหนึ่งธาตุรู้ สองความเป็นพิษสงของใจนั่นแหละที่มาปนเปื้อนมากับาธาตรู้นั่นแหละเป็นสองสคุณสมบัติคือส่วนที่เป็นธรรมหนึ่งอย่างคือธรรมสองอย่างคือกิเลสสามอย่างคือาธาตรู้ประกอบกันมาเป็นกองสังขารเสร็จแล้วย่างก็เราม า, าบัดในปัจโวการเนี่ย ก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเนี้ยก็ยิ่งเข้าไปประกอบกันเป็นกองสังขารมหากองสังขารเลยแหละทั้งรูปสังขารทั้งนามสังขารมาประกอบกันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้คือกองสังขารคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันเราศึกษาอย่างนี้เราศึกษาอยู่กับตัวเราเราศึกษาอยู่กับกายของเรา เราศึกษาอยู่กับจิตของเรานี่แหละคือการศึกษาธรรมศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อเกิดความเข้าใจแท้ที่จริงธรรมะของพระเจ้าแปดหมื่สีพันพระธรรมขันธ์ไม่มีบทใดบาดใดที่ท่ให้เรายึดแม้แต่เม็ดหินเม็ดทรายแม้แต่ธรรมะที่ส่วนที่เป็นผลท่านก็ไม่ให้เรายึดธรรมะส่วนที่เป็นผลท่านก็ไม่ให้เรายึด สมมติเรานั่งภาวนาไปปั๊บเกิดความสว่างขึ้นมาในสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรายึดปับ๊บเราพิจารณาทางด้านปัญญาเกิดความรู้สว่างใยขึ้นมาเรายึดปั๊บเป็นวิปัสสนูน ท, ทันทีเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาที่มีกิเลสเคลือบแฝงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยอย่ สเบธรรมมานาลังอภินิวาสายัตทำทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พอตั้งใจภาวนาไปมีผลใดเกิดขึ้นมารับทราบรับปล่อยรับทราบรับปล่อยรับทราบรับปล่อยการที่เรารับทราบแล้วก็ปล่อยจะมีผลตกค้างเหลืออยู่เป็นของแท้ของจริงตราบใดที่เรายังยึดอยู่ยังมีผู้ยึดคำว่าผู้ยึดในที่นี้คืออะไร อัตตาตัวตวนมันโผลอย่าลืมว่าตัญหามันโผขึ้นมาทีงไว้ใจของเราทีไรเมื่อไรอัตตามันก็โผล่อัตตาก็คือตัวตนแท้ที่จริงทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคําอนัตตาหมายความว่าเรายึดไม่ได้ถือไม่ได้มันคับบัญชาไม่ได้แม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวมันคับไม่ได้แม้แต่ธรรมะในหลักของอริยสัจทั้งสทุกเราก็ยึดไปได้สมุทัยเรายิ่งยึดไม่ได้ นิโรธเราก็ยึดไม่ได้นิโรธคือความดับทุกขั น, พ, นพื้นที่เราตั้งใจปฏิบัติเห็นได้นั้นเรายัางยึดไม่ได้ยึดได้อย่างเดียวคือมัจทุกสมุทัยนิโรธมัจยึดได้อย่างเดียวคือมัจเราเจริญสินให้ยิ่งเจริญสมาธิให้ยิ่งเจริญปัญญาให้ยิ่งให้รู้เท่าทันยิ่งเข้าไปละเอียดเข้าไปยิ่งเข้าไปละเอียดเข้าไปทอดทิ้งมัจไม่ได้เรื่องของมัจนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญ บางครั้งเราก็เดินผิดบางครั้งเราก็เดินถูกบางครั้งเราก็สําคัญมั่นหมายยึดผลตามมานี่เองกลายเป็นยึดผลเสียแล้วไม่ได้ยึดเหตุคําว่ามัดในชนี้หมายกว่าว่าเหตุยึดเหตุมัดเหตุเพื่อความดับทุกข์สมุทัยเหตุผลทุกขุมัดเหตุสงุกระนับดับเหตุที่ก่อทุกข์ เราดูไปที่หัวใจของพระพุทธธรรมของพระพุทธเจา้าคือหลักของอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักทุกกับสมุทัยมีประจำโลกพระพุทธเจ้าอุบัติก็ต่าไม่อุบัติก็ต า, ม, ม, ตตา ม, มีอยู่ประจำโลกนิโรธกับมักถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติมานิโรธกับมักไม่ปรากฏพวกเราก็งมอยู่นั้นแหละอยู่กับทุกอยู่กับสมุทัยอยู่ในนั้นแหละ ทุกบวกทุกสมุทัยบวกสมุทัยอยู่นั่นแหละเป็นกลับเป็นกันเรามาเปรียบเทียบดูว่าถ้าหากเราไม่มาอัดตันมนุษย์เนี่ยเนื่องจากบางพบบางชาติเราไปทําชั่วยชาตรามออกเนี่ยตกไปจากภาวะของความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นจัตเจริญชานี่ตลอดทั้งชีวิตตลอดทั้งทบที่เป็นจัตเดริญชานเนี่ยเราไม่ได้รำพึงําพันถึงเรื่องเนื้ อ, อหาของอัดของทำ ม, มันมีแต่เรื่องของกิเลสพ่อคูณในหัวใจ กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลอะไรได้เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสบวกกิเลสกิเลสบวกกิเลสตะราบในที่เรามาเกิดในภพชาติที่เป็นมนุษย์ยิ่งมังคบพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างพวกเราด้วยแล้วเราพอจะรู้จักธรรมะบ้างถ้าสนใจมากๆก็คือรู้จักมากสนใจอย่างยิ่งคือตั้งหกตั้งใจปฏิบัติที่ตัวเองไปให้พ้นเพราะโลกที่เราเป็นอยู่นี้คือเป็นโลกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ โลกสมาทิฏฐิท่านตั้งใจปฏิบัติทีไปให้พ้นจากโลกนี้โลกนี้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธอิจาริษยาพยาบาทตัญหารัะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านถีไปให้พน้นท่านจะมีคุณธรรมผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อ ย, อ, ยอันนี้มีกติตัวยอย่างที่พวกเราศึกษาพระพุทธธรรมในพระพุทธศาสนากองสังขารจะเป็นสังขารรูปก็ตามจะเป็นสังขาร น, นามก็ตาม เบื้องแรกรูปกระ nam เข้ามาประจวบ ก, กันเป็นกองสังขารขึ้นเชื่อว่ามีกองสังขารแล้วนึ่งไม่คงที่อยู่เท่าเดิมอยู่เท่าเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปไม่คงที่อยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าท่านทรงตราาัสทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังนี่แหละไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ ดุจจัจฉสงตราบานันตานันตาเราอยากรู้ข้อเท็จจริงเราไปดูในหลักอนันต์ลัคนาสูตรดุจจัจฉสงตราปันขันห้าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ประ้าชน์ข้าสิ่งที่เป็นทุกข์เทีเ่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประโยชน์ข้าสิ่งที่ไม่สิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นเราหรือไม่ใช่เราไม่ใช่เราประโยชน์ข้า โดยเหตุนั้นพุทธเจ้าทักจริงทงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เรายึดไม่ได้เสียอย่างเราลองยึดดูกายเราดูร่างกายเราเราแค่ยึดชะลอไม่ให้แก่ชะลอไม่ให้เจ็บหรือไม่ให้เจ็บมากไม่ทรมานมากชะลอไม่ให้ตายเท่านั้นเองไม่ให้แก่ได้ไหมไม่ได้ไม่ให้เจ็บได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้หากเขาเป็นไปตามภาวะของเขาตามหลักธรรมชาติของเขาแต่ถูกใจไหม ไม่ถูกใจเลยเวลาครูบาอาจารย์ของเราล่วงไปพ่อของเราล่วงไปแม่ของเราล่วงไปสามีภรรยา ล, ลูกหลานของเราล่วงไปเราพอใจไหมเราไม่พอใจเลยแตเ่เราไม่สามารถจะบังคับมันชะอะไรได้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามภาวะของเขาตามเหตุปัจจัยของเขานอกเหนือไปจากอํานาจของใจของเราแม้แต่ร่างกายของเรานะั้นะเขามีบุญด้วยกันเขามาเอาบัตรด้วยกัน โดยเฉพาะเวลาเข้าไปปฏิสนธิในท้องแม่เท่านั้นเองเราไปเที่ยวจับจองไปเที่ยวจับจองได้ในในในท้องของแม่ตามบุญตามกรรมของเรานะไม่ใช่เลือกเอาตามใจชอบนะบุญกรรมของใครควรจะได้อะไรบางคนไม่มีคุณสมบัติด้วยสซ้ำไปที่จะมาอวดเกณฑมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์นิริชานเนี่ยเพราะไม่มีคุณสมบัติคุณสมบัติไม่พอไม่ใช่เลือกเอาตามใจชอบ เพราะเรามีพฤติกรรมคือวิบากกรรมของเราเป็นข้อจํากัดเอาไว้เพราะฉะนั้นเร า, เราสํานึกรู้สึกตัวแล้วเราจะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวสํารวมระมัดระวังให้ได้อะไรที่เป็นศีลเป็นธรรมนี่แหละจะจะเป็นข้อปฏิบัติสักรับเราแม้แต่สังขารรูปกับสังขาน ร, ปปรขา น, นา ม, มาประกอบกันเสร็จแล้วเขาก็ไม่อยู่เท่าเดิมใจจะหึงหวงมากน้อยสักเท่าไหร่เขาก็มีมีหน้าที่ที่จะต้องแก่ไปแก่ไปแก่ไปแต่เรื่องเกีย่ยวเรื่องตายเป็นเรื่องไม่แน่นอน เรื่องความแก่นั้นเป็นเรื่องแน่นอนเราเรามีอายุอยู่7 0ปี8 0ปี90ปี1 0 0่ปีเหมือนอย่างลุงปู่เนี่ยลุงปู่คุจริตปัิโตเนี่ยสามารถมีอายุขยอยู่ได้นานเพราะอายุมากความแก่เท่าชารามันก็อายุมันก็เท่าแก่ชาราไปตามนั้นแต่กับความเจ็บกับความตายไม่แน่นอน บางจิตบางดวงไปอบัติในท้องแม่ตายในท้องแม่ได้ซ้ำไปบางคนตกฟากมากับตายในระหว่างที่ตกฟากคลอดออกมาบางคนตายอายุสองขวบสามขวบบางบางคนตายอายุสิบขวบขวบบางคนตายไว้หนุ่มใบสาวตายไม่แน่นอนความเจ็บกับความตายไม่แน่นอนเพราะกองสังขารเหล่านี้เขาไม่อยู่เท่าเดิมไม่เคยคงที่อยู่เท่าเดิมแล้วดูไปตรงไหนเราดูไปตรงที่ พ่อแม่ของเราทุกท่านทุกคนทำการเจริญพันธุ์ธาตุพ่อกับธาตุแม่ไปประกอบกันในท้องแม่เป็นน้ำใสๆอยู่ในท้องแม่ไปจับจองตามบุญตามกรรมน้ำใสๆไปเกิดในท้องแม่เกิดด้วยอนานาจของตันหาไหมตันหาในใจของพ่อของแม่เราไปจับจองกองสังขารในในท้องแม่นั้น ตัณหาในใจของเราเราไปจับจองในท้องแม่น้ำใสๆไม่อยู่เท่าเดิมไหมไม่เคยอยู่เท่าเดิมสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่สีเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเร IC ื่อยน้ำใสๆเปลี่ยนเป็นสีแดงๆเป็นเลือดเป็นเลือดข้นๆหรเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขาเจเดือนแปเดือน9้าเดือน ออคลอดออกมาเอาไวยวัคครบสามสิบสองคลอดออกมาสังขารเหล่านี้แต่ละขนาดของจิตมันเสื่อมไปในตัวของมันเองมันเจริญในวัยที่เจริญในตัวของมันเองเราจะเห็นว่าเราเนี่ยเจริญในวัยเจริญแล้วก็เสื่อมในในวัยที่เสื่อมสังขารไม่อยู่เท่าเดิมน้ําใสๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีขนาดใดที่อยู่เท่าเดิมไม่มีเลยเ็เดือนแปดเดือนแล้วคลอดออกมาอยู่ในท้องแม่ เขามีวัตถุดิบป้อนเข้าไปทางสายรบสายสะดือเห็นไหมนั่นแหละเราอยู่ในท้องแม่ดูดกินเลือดกินเนื้อของแม่ทุกระยะทุกเวลาไปป้อนสิ่งที่ควรเจริญแต่ไอส่วนที่สึกหรอมก็สึกหรอไปไอส่วนที่เสื่อมก็เสื่อมไปส่วนที่เจริญก็เจริญไปนี่คือกองสังขารไม่อยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าทรงต ร, รัสทุกขงังเปลี่ยนไปเป็น อ, นอนิจจังเป็นอนิจจังมาตั้งแต่น้ําใสๆแล้วมั้เป็นทุกขังมาตั้งแต่น้ําใสๆ ไม่มีใครไปกํากับดูเลให้อยู่เท่าเดิมไม่มีเราเห็นว่าภาวะของคนของสัตว์ที่ตายไปพอตายไปปั๊บกองสังขารแตกสลายเน่าเปื่อยไปแต่จิตคือธาตรู้คือพูดรู้ไม่แตกไม่สลายไม่แตกไม่สลายหากเป็นไปตามบุญตามกรรมที่เราเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะสิ่งใด เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมของเราเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันพันกันไหมพันกันทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมนี่คือก่อสังขารทำไมเราจะสงบระงับได้ก่อสังขารเหล่านี้สงบระงับได้แล้วเป็นสุขเตะสั่งภูปะสมโมสุโขการเข้าไปสงบระงับก่อสังขารทั้งหลายทั้งปวกเหล่านี้ได้เป็นสุขเป็นความสุขอย่างยิ่ง ถ้าถึงขั้นพระอาหารหันต์แล้วก็คือประมังสุขขังประมังสุขังทำไมเราจะสงบระงับไม่ได้แค่เราตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธให้ใจสงบระงับคาว่าสงบระงับในที่นี้หมายความว่าสงบระงับดับตันหาชั่วการชั่วคราวเราพยายามปลุกคุณธรรมของจิตมาทำงาน ปลุกติตภายในจิตของเรามากากับจิตคือผู้รู้ของเรากาหนดให้อับเป็นอารมณ์ที่รุนแรงรูสว่างสวายอยู่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราตื่นรู้อยู่กับอารมณ์ที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตของเราตื่นรู้อยู่กับบทพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยปัญหามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ แต่ตราไปที่มันย่อนญาณอารมณ์พุโทโธลงไปเนะี่ยตัณหาแทรกปั๊บขึ้นมาทันทีตัณหาแทรกปั๊บขึ้นมาทันทีพบชาติเกิดแล้วตัณหาเกิดอุปาทานเกิดพบเกิดชาติเกิดสกัดปริเทวททัตุขัตโทมณัสส์มาตามหลังเป็นแถวหนึ่งนี่คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้ น, นหนึ่งงวใจของเราเราไปดูในหลักที่ท่านพูดไว้ในหลักของปฏิจจสมุปบาทอันนี้จะชัดเจนมาก แท้จริงระบบธรรมชาติที่ทําให้เราตายทําให้เราเกิดเราดูมาตรงนี้เราจะชัดเจนตราบใดที่เราปล่อยให้ตัญหามันแทรกเข้ามาหัวใจของเราพั๊บตัวต น, นก็โผล่ขึ้นมาเรามก็โผล่ขึ้นมาเมื่อเราโผล่ขึ้นมาการถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาเราทําอะไรเราก็ต้องทําเพื่อตัวเพื่อตัวเพื่อตัว นอกจากแล้วเพื่อคนของตัวเพื่อพักเพื่อพวกของตัวเพื่อนุ้นเพื่อนเพื่ออะไรต่ออะไรสารพัดนี่คือกองโลกคือความโลกมันเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมถ้าเราศึกษาธรรมเราก็พอจะรู้จักถ้าหาเราตั้งใจภาวนาเราก็จะรู้จักทันธรรมะตรงนี้ทันเกิเล็ทันตัณหาตรงนี้ตราบใดที่เราอยู่กับบทพุทโธตั้งวิตกขึ้นมาตั้งวิจารขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธ จิตของเราสว่างโรยอยู่กับบทคัมภีรพุทโอตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดจิตของเราที่จะไปยึดโน้นยึดนี้ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดเมื่ออุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดผู้ที่จะไปเกิดในภพในชาติเหล่านั้นไม่ต้องมีไม่มีผู้ที่จะไปเกิดเป็นอัตตาเป็นอนัตตาโดยอัตโนมัตินี่คือเรามีสติมีสัพพัญญะรู้เท่าทาันแค่เราเภาวนาสงบพระงับ กองสังขารคือตันหาไม่ให้มันปรุงแต่งกันในหัวใจของเราแค่นี้เราก็มีความสุขความสุขขั้นสงบระงับดับจิตสังขารที่เป็นเรื่องของตันหามาแทรกเข้ามาแค่นี้เราก็มีความสุขก็เหมือนอย่างเรามีเรื่องร้อนๆในภายนอกเนี่ยเวลาเราไปสงบระงับดับได้พักผ้าเป็นสุขสุขขั้นนั้นสุขระดับนั้นแต่ถ้าเราสงบระงับดับระดับระดับของตันหาจะมาแทรกในหัวใจของเราได้ เราจะมีสุขขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านยังทรงตรัสว่ า, า, า <c oughs> ความสุข น, นอกจากความสงบไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนักทิสันติปรังสุ ข, ขังพุทธิยถาจงตร์นี่คือสงบขั้นสมาธิ เราไม่ต้องพูดถึงสงบขั้นระดับปัญญาคือดับตัณหาได้แค่นี้คือตัณหามันชะลอตัณหามันหยุดตัณหามันอยู่ตัณหามันหมอบมันหมอบมันรากมันไม่กระแสดงตัวตัณหาไดที่เราใช้ปัญญาพิจารณารู้เหตุรู้ปัจจัยรู้รากรู้เง่ารู้ต้นรู้ต่อของมันแล้วก็ถอนออกคำว่าถอนออกคือเข้าไปรู้เข้าไปเห็นทําลายความมหลงของตัวเองสงบระงับดับปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้หมด อันนี้ถึงขั้นประมังสุขังอย่างแท้จริงหาได้โดยลำดับจะเป็นขั้นไหนจะเป็นระดับละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเรายึดเพราะเราถือแท้ทจริงผู้ริยารสงตรัสพระสงฆ์บอกอยู่แล้วว่าร่างกายของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟใจของเราไม่จับจองในท้องแม่เรารูแต่ว่าเกิดในท้องแม่เนี่ย เราท่านไม่ได้เอาเลือดสักหยดเลยนะไปเกิดในท้องแม่มีแต่เลือดของท่านถ้าของพ่อของแม่เลือดเขาเนั้นไม่มีสักหยดเลยไปเกิดในท้องแม่แต่เวลาเราออกมาคลอดออกมาพ่อแม่แม่คลอดออกมาเรายึดเลือดเกินถือเลือเกิดกายเรากายของเราอย่าลืมว่าบางคนเนี่ฆ่าได้ก็ท่าพ่อแม่ของตัวเองนะบางคนเนี่ยบุญคุณที่ท่านอุ้มท้องมาบุญคุณที่ท่านสั่งสมอบลมมาเนี่ยคิดไม่ออกระลึกไม่ได้ บางคนไม่รู้บุญรู้คุณของพ่อแม่ด้วยซ้ำเองไอ้าว่ากัตันยูกัตันยูรู้บุญรู้คุณอะไรคือบุญคือคุณไม่รู้จักบางทีหูหนาตาเถื่อนมืดบอดด้วยขนาดนั้นนะพวกเราทั้งหลายพวกเรามีบุญเราเกิดมาพบพระพุทธศาสน า, น, นาธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของกเราสอนให้กตันยูกัตเวทีก็มาจากพระพุทธเจ้าให้รู้บุญให้รู้คุ ณ, ค ณ, คณบุญคุณส่วนนี้กับพ่อกับแม่ ถ้าเราสนองบุญคุณของท่านได้หมดโอ้ยบุญคุณส่วนนี้เรากินไม่หมดเรื่องบุญคุณส่วนนี้เราสนองหมดได้ยากเหมือนกันนะถึงแม้ว่าท่านพูดอุปมาไว้ถ้าเราเป็นผูร้รู้บุญรู้คุณของพ่อของแม่เลี้ยงท่านอย่างดีด้วยปัจจัยทั้งสี่ท่านอุปมาเหมือนกขาบอให้เอาพ่อมาแบกไว้บาขวาแม่แบกไว้บาซ้ายเลี้ยงท่านให้ท่านขับไทยกินดื่ม อยู่ตรงนี้แห่ตลอดจนเราตายจากท่านทึงท่านตายจากเราสนองบุญคุณไม่หมดสนองบุญคุณไม่หมดบุญคุณอะไรมากมายมหาศาลถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งลูกของพ่อเป็นทั้งลูกของแม่บางท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่พวกเราระลึกถึงเรื่องเหล่านี้ได้ดีนี่คือบุญคุณของพ่อของแม่ ผู้ที่จะสนองบุญคุณของพ่อของแม่ได้หมดท่านหมายความว่าเราเป็นผู้มีธรรมเอาธรรมนี่แหละไปชักไปจูงไปดึงพ่อไปดึงแม่เช่นอย่างพ่อแม่ไม่มีสมาธิฏิรู้พยายามฝึกฝนอบรมธรรมะให้เป็นผู้มีสมาธิฏิพาพ่อพาแม่ให้ทานรักษาศีลเจริญสถมถะเจริญวิปัสสนาจนพ่อของเราจนแม่ของเราตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ตั้งเนื้อตั้งตัวได้โดยธรรมยิ่งท่านได้คุณธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งด้วยซ้ําไปแล้วสนองบุญคุณของท่านได้หมดเราฟังหลุงตาลุงตามหาบวัวลุงตาบรรด า, าท่านพูดถึงเราไม่มีอะไรห่วงติดค้างเหลือกับโยมบรรดาของเราหมายความท่านสนองบุญคุณของแม่ของทำได้หมดเพราะแม่ของท่านนี่ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในวัดมาตลอด ตอนเวลาใกล้จะตายหลวงตาท่านก็นไปเยี่ยมเป็นไงนจิตใจเป็นไงตอนนี้เป็นไงโอ้ใจของแม่เนี่ยสว่างไม่มีห่วงกังวลอะไรเลยเพราะหลวงตาไประเทศทำให้ฟังทุกระยะทุกเวลาท่านพูดว่าเออเราไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่นโยมมารดาของเราแล้วหมายความว่าสนองบุญคุณของแม่ได้หมดแสวงหาได้ด้วยตั ว, ตวเองด้วยแล้วก็เอาคุณธรรมเหล่านั้นไปสนองคุณของพ่อของแม่ พวกเราไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงระดับนั้นเมื่อเราลูกผู้ชายลูกผู้หญิงศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะพ่อแม่ไม่มีความเพิ่มใ ส, ส่ศรัทธาให้โอกาสกับพ่อกับแม่ให้ท่านมีโอกาสให้ทานจับสิ่งที่เป็นทานให้ท่านได้ทําทานท่านไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมเจริญสมาธิพาท่านไปฟังเทศ พ, พาท่านไปทําสมาธิท่านจะได้รู้เรื่องของสมาธิท่านจะได้รู้เรื่องของปัญญา จนสามารถทำลายล้างปิจฉาทิฏฐิออกจากหัวใจทำลายความโลภไม่ยึดไม่เกอะไม่ติดในวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญารู้เห็นแยกแยะธาตุขันธ์ของตัวเองใรู้โอ้นี้ส่วนนี้เป็นส่วนรูปโอ้ส่วนนี้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความระลึกรู้ได้จิงรู้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนสามารถเข้าไปทำลายการยึดมั่นถือมั่นว่าสักกายทิฏฐิกายเรากายเร า, ก า, เรากายเราด้วยแล้ว เราสนองบุญคุณของท่านได้หมดนี่พยายามพูดหมุนมาตรงนี้เพื่อให้มันเข้ากับหลักที่ฉันว่าเราไปอบัตในท้องแม่ด้วยความยากคือตันหาภายในใจของพ่อของแม่และความอยากภายในใจของเราไปเที่อจับจองในท้องแม่โดยเหตุนี้เราจึงเป็นผู้มีพ่อมีแม่เป็นผู้มีบุญมีคุ ณ, คณบุญคุณเกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้เองเรามาคิดดูที่อุ้มท้องแม่อุ้มท้องกี่กี่เดือน เกตเดือนแปดเดือนเก้าเดือนอย่างพระโพธิสัตว์สิบเดือนสิบเดือนแต่พระโพธิสัตว์ท่านไปอุบัตในท้องแม่ด้วยเหตุที่ท่านปุญญาโนภาบุญบารมีของท่านทําให้แม่ของท่านรู้เห็นว่าท่านอุบัตในท้องอยู่ในภาวะอย่างไรเหมือนมองเห็นเลยว่างั้นแต่แต่พวกเรามองไม่เห็นดอกพวกเรามองไม่เห็นสมัยก่อนเขาไม่มีอะไรส่องดูดอก แต่บอกความรู้สึกภายในใจว่ามองเห็นศิทธิ์ทายอยู่ในท้องของแม่ของสตรีมหามายา่าพวกเราทุกวันนี้เรามองเห็นเพราะเราไปส่องดูเราเห็นอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ก็ส่องดูเห็นนะลูกในท้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์บางคนไม่ต้องการผู้หญิงเขาก็เอาออกนี่ไหมบางคนได้ผู้ชายหลายคนแล้วไม่ต้องการเอาออก บางคนเป็นสองเห็นว่าลูกในท้องของเราไม่สมบูรณ์เอาออกหมายกว่ามว่าทําแท้งทําแท้งการทําแท้งถ้าหาเรามีเจตนานี้เป็นเป็ น, ปนบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะลัทธิยานธรรห้ามนักห้ามหนาะเหมือนอย่างบางคนมีนิสัยพอที่จะมาบัตรกับเรานะ่ยเมาบัตรหนึ่งครั้งแม่แทงทิ้งมาบัตรกับแม่ของตัวเองเ่ยไปก่อนหนึ่งครั้งแม่แทงทิ้ง สองครั้งแทงสามครั้งแทงคราวหลังเขาพยายามมาก่อจนได้พอเวลาได้มาเนี่ยกลายเป็นศัตรูกันเลยเดี๋ยเนี้เราฆ่าเขามามารู้ต้งกี่รอบกี่ครั้งตอนนี้เขาจะเอาระบังแหะบางคนเอาแม่ตายตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเนี่ <c oughs> ระวังเง้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เขาสองเห็นโดยหลักธรรมะแล้วท่านถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเราจะเกิดชาติไหน สองเห็นหรือสองไม่เห็นก็ตามแต่ถ้าเรามีเกยตนาออกเป็นป่าเป็นกรรมยังไงยังไงเขาก็เป็นเนื้อเป็นหนังของเราเป็นผลเป็นวิบากกรรมของเราที่มีอุลร่วมกันขอเขาให้เขาเอาบัตรเธอเกิดมาแล้วจะสมบูรณ์จะเป็นคนปานกลางจะเป็นอัจฉริยะบุคคลยังไงก็ตามเถอะอย่าลืมว่าอัจฉริยะบุคคลจะมีเฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็เป็นอัจฉริยะบุคคลได้จะว่ามีแต่ผู้ชาย ผู้หญิงเป็นอัจฉริยะบางคน ล, ลงตาท่านพูดเสมอๆว่าใจของเราไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงใจของเราศัพท์ว่าโูโหโหไม่มีผู้ชายผู้หญิงแต่ละภพแต่ละชาติของผู้ชายผู้หญิงจะมีการสับเปลี่ยนมาเรื่อยเนื่องจากว่าพฤติกรรมของเราเองไม่เป็นผู้ชายไม่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระวังถ้าหากเราไม่ระวัง ก็ลอยหลงทําตามสังคมนิยมที่เขาพาท ำ, ยทำอย่างนั้นทำตามอย่างนี้และเป็นบาปเป็นกรรมของเราเองเขาจะเกิดมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ออกมาแล้วจะเป็นอะไรก็ตามเถอะรับดูแล ร, รับกรรมของเราไปบางคนเป็นอะไรอะ่ะเป็นโปลิโอบ้างเป็นอะไรบ้าโอ้บุญกรรมของเราไหมากดิบปา ก, ปากเลี้ยวบ้างอะไรบ้างตาโผนบ้างอะไรบ้างเราก็รับบุญรับกรรมเลี้ยงของเราโอ้ดีคือบุญกรรมของเราสายเลือดของเรา ถ้าเราทําลายก็เป็นบาปเป็นกรรมของเราอันนี้เราพูดพอให้เกี่ยวข้องกับว่าเราไปอบัตในท้องแม่ด้วยกันทุกคนกองสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเราสงบระงับได้ในขั้นสมถะเราก็มีความสุขไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าอย่างนั้นอุทกดาบท阿拉ดาบทท่านจะติดอยู่ในรูปปัสมะปฏ า, ารูปปสมาบัตหรอนั่นะคือความสงบลำดับขั้นของความสงบ ไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสุขในโลกทีทั้งหลายทั้งปวงยิ่งกว่ารูปปัสมะบาทอรูปปสมะบติเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้ารูปสมะบาทอรูปปสมะบติเพราะฉะนั้นอัตตาตัวตนของท่านเลยละไว้ได้ถ้าไม่มีตัวตนแล้วจะเอาอะไรมาสุกนะหลักปรัช ญ, ญาบางอย่างเขาแทรกเข้ามาถ้าไม่มีตัวตนแล้วจะเอาอะไรมาสุกพระพุทธเจ้าท่านให้ละความสุขนั้นเอง แต่เราลกไม่ได้อาจารย์ทั้งสองของท่านลกไม่ได้พอเวลาพระองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิยานแล้วพระองค์ก็นึกถึงอาจารย์ทั้งสองโอ้อาจารย์ของเราเนี่ยจิตละเอียดมากถ้าเราได้ไปโปรดไปสอนอย่างไม่จบหนึ่งคาถาเลยจักสว่างโโร่ขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาทันทีโอ้แต่น่าเสียดา ย, ยราเกือบองหนึ่งก็ร่วมไป7็วันแล้วองหนึ่งก็เพิ่งล่วมไปแล้วเมื่อเช้านี้เองน่าเสียดายมาก พลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าท่านรู้เพราะท่านมีพระสมมาสัมพทธิญาณมากระตุ้นเตือนอาจารย์เหล่านั้นท่านบำเพ็ญคนล็กอายุ70ปี80ปีกว่าจะได้รูปรสมาบัตรูปรสมาบัติพระพุทธเจ้าของเราไปบำเพ็ญในระยะเวลาไม่กี่เดือนได้หมดทั้งรูปปัสมาบัติรรูปรสามาบัตรอาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบหมดแล้วนะเธอเรารู้ยังไงเธอก็รู้อย่างนั้นเธอรู้ยังไงเราก็รู้อย่างนั้น ชวนให้อยู่ช่วยบอกสอนสานุรสิทธิ์เอเราคิดว่ามันจะมีความสุขสะวกสบายโลง่งถงในหัวใจทำไมยังมีความทุกเต็มแพร่อ ย, อยู่ในหัวใจของเราย้า อ, อนไปดูในพระไทัยของพระองค์โอ้ทุกห่วงใหยทุกวิตกทุกกังวลเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นเจ้าชายคิดถึงพิมพาราหวนคิดถึงพระเจ้าสุโทธทนะคิดถึงพระญาติพระวงศ์คิดถึงราชสมบัติโอ้นี่คือความห่วงใหญ่ ความหงยุดยทั้งหลายทุบกบัวเรานี่ยคือกองทุกคือความทุกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงลาอาจารย์ไปบําเพ็ญโดยลำํำพังเห็นไหมแต่ด้วยเหตุที่พระองค์เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธมีวิสัยคือสัมมาสัมพุท ธ, ธมากระตุ้นเตือนไหนพระทยัยเป็นเหตุให้พระองค์ระลึกได้เป็นเหตุให้เราคิดได้คือยังไม่ติไม่จันยังไม่จบเป็นเหตุให้ได้ไปบําเพ็ญจนจบที่ท่านเลยพูดพูดถึงว่าพระองค์ได้มาบําเพ็ญผิดบ้างถูกบ้า ง, ท, างทุกกรรมกิยาบ้างอะไรต่ออะไรบ้าง จนท่านมาพูดถึงวันได้บรรลุ ธ, ธรรมนั่นแหละวันเพียเดือน6นั่นมีนางสุชาดาเอาข้าวมัทุปายากไปถวายน้ำ ม, มัทุปะยาพระองค์รับรับทั้งถาดทองคำแล้วไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ำนเนรัญชราวันนั้นมีการตั้งพระไตรปิฎกเดียววันนี้จะเอาแล้ววันนี้เนะลยทรงอธิษฐานลอยถาดถ้าบุญบา ร, รมีระพอขอให้ถาดลอยถวนกระแสน้าเห็นไหมถ้าเป็นพวกเรากด โดดโลดเต้นไม่ได้ดีออกดีใจทาารลอยทวนกระแสะน้าเพราะอะไรบุญญาบรารมีลอยทวนกระแสะน้าตอนค่ำของวันนั้นเดินมานั่งบําเพ็ญที่ต้นโพบางตําราบอกว่าอธิฐานให้เป็นวันชระบรรลังบรรลังเพชรบางตําราก็บอกว่ารับย่าคาแปดกรรมและมาปูตามบัรลังก่อนที่จะตั้งใจเด็ดเดี่ยวบําเพ็ญในคืนนั้นตั้งสัจจาอธิษฐาน เนื้อเลือดหงกรแห้งไปเหลือแต่เอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดยังไม่ได้ลุกสมาสมพปทานจักไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดพระองค์ต่อสู้กับพวกพย า, ยา ม, มาณทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่หัวค่าพอปฐมยามตั้งแต่หัวค่าไปจนถึงสี่ทุ่มพระองค์ก็เข้าถึงยานขั้นหนึ่งระดับหนึ่งปุกเพรนิวาสานุสติญาณ ล, ลึกพบชาหอนหลังได้ไม่รู้จะจบ เป็นกับกับเป็นสังวัตกัปเป็นวีวัตกับเป็นสังวัตัปวิวัตกัปโอ้ยระยะยืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับพวกเราทั้งหลายผู้รู้ของเราเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดมาอัตภาพสองอัตภาพเกิดมาเนิ่นนานมากน้อยเท่าไหร่เราทราบไม่ได้เลยนี่คือพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยามท่านกลางเห็นพวกชาติเขาสัตว์ทั้งหลายเกิดแต่กรรมทํากรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้นทำกรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้ รู้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนรองยืนอยู่ในทางสี่แพร่ยามสุดท้ายแห่งราตรีของวันนั้นทรงเข้าถึงอาสวะขยะยาด้วยเหตุกระตุ้นเตือนว่าโอ้เราเกิดตายเกิดตายหน้าเบือเ่อหน่ายเลยเกิดสัตว์ทั้งหลายไม่จะไม่มีอะไรไม่จะเกิดตายเกิดตายเกิดตายหน้าเบื่อนหน้าหน่ายเลยจิตของเราก็หมุนหมุนไปถึงระดับที่ทันเดียกว่าระยะศักดทั้ง4ี่เจามาที่ทุกเจาะไปที่เหตุให้เกิดทุก สามารถสงบระนับดับเหตุแห่งทุกข์ได้เหตุ hey, แห่งทุกข์คืออะไรสมุทยัยสมุทยัยสมุทัยโยคืออะไรการตัณหาภวะตัณหาพิภาวะตัณห า, า ว, หาวาเราฟังเป็นภาคปฏิบัติเราสรุปมาที่ความอยากคือตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากนี้เราย้อนมาดูที่ใจของเรามันมีมันแสดงให้ปรากฏถ้าใครตั้งใจปฏิบัติทำไปด้วยย้อนมาดูจิตของเราให้รู้ความอยากภายในใจของเราด้วย เราจะเริ่มเป็นสัมมาทิฏฐิได้เร็วมากได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นการกี้ถูกจุดที่กี้ถูกรังของกิเลสตัณหาหัว ใ, ใจของเราถูกต้นต่อเขามันคือสมุทยัยสมุทยัยพระพุทธเจ้าท่านหมุนมาตรงนี้ขี้มาตรงนี้สนบับนะครับดับได้หมดเป็นนิโรธเป็นนิโรธดับทุกข์ดับสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ แต่พวกเราพวกเรารู้จักดับทุกข์บางคนทุกข์มากมหาศาลไนะปมัดคอตายมีเขาเรียกดับทุกข์ไม่ถูกที่ดับทุกข์ผิดที่ร่างกายของเราเป็นผลปลอยได้เท่านั้นเองสาเหตุเกิดกายมันมาจากเหตุคือสมุทยัยความอยากความดิ้นรนความทะยยานเหมือนอย่างยกยกตัวอย่างหน้า ง, งานที่เราฟังมาแล้วเราตั้งใจ บ, บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธตันหาแทกเข้าไปปับ๊บ พุทหายพอพุทโธหายอัดตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาตันหามันก็โผล่ขึ้นมาอุปาทานมันก็โผล่ขึ้นมาพบมันก็โผล่ขึ้นมาชาติมันก็ตามมาแต่ถ้าเราเห็นจัจธว่าเห็นรู้สักธรว่ารู้เราไม่ได้ยึดเข้ามาอัดตาตัวตนไม่เกิดยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดอัตตาตัวตนไม่เกิดตันหาไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิด พบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีนี่คือการสงบระงับดับกองสังขารระงับได้โดยชิ้นเชิงระหนับด้วยปัญญาปัญญายานเหมือนอยา่างพระพุทธเจ้าท่านทรงมังเพ็ยนในวันเพียเดือน6กนั่นแหละบรรลุถึงทั้นอาสวัคยายานกิเลสทหาแน่นในพระใสของพระองค์มาขีดกระพือกันละลายหายไปหมดเหลือแต่ทารู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวถ้ารู้ของพระองค์ยังเหลือยังเหลืออยู่ แต่เป็นท่ารู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวมีอยู่มีปรากฏให้พระสาวกได้เห็นอยู่เราเอาหลักมหาปรินิพานาสูตรมาพูดมาพูดกันตามที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในตําราท่านพูดเอาไว้พระพุทธเจ้าวเวลาพระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพานท่านจะเข้ายาชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สในระหว่างพระจิตบริสุทธิ์ของพระองค์ประทับอยู่ในฌานนั้นพระ อ น, อนุรุธะในมองเห็นไปประทับอยู่ในสัญญาเวทชีริโรดก็มองเห็นรูปปัสมะบัติรูปปัสมบปปะสมบัติกับสัญญาเวทชีนิโรดนั้นเป็นวิหารธรรมที่พระองค์ฝึกได้ไม่ใช่คุณสมบัติของความเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่คุณสมบัติของความเป็นผู้วริสุทธิแต่แล้พระองค์ก็ทรถอยมาถอยมาจนเหลือพระกิจเป็นปกติธรมรมดาแล้วเข้าไปชา้นที่หนึ่งชันที่สองชันที่สาชันที่สี่ออกจากชา้นที่สี่ อรูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่พระอนุรุทธะมองไม่เห็นแลตอนนี้ไม่เห็นว่าพระจิตเขาประองไปประทับอยู่ที่ไหนไม่เห็นแล้วพูดได้อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนี่คือประองปรินิพานแล้วแล้วผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นหมดไหมไม่หมดแต่เวลาไปประทับอยู่ที่ส ม, มุติเรามองเห็นเวลาไม่ประทับอยู่ที่ส ม, มุติเรามองไม่เห็น แต่พระองค์ทรงพูดเป็นหลักปรัชญาให้พวกเราได้ยินได้ฟังว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมแสดงว่าพระองค์แท้ๆคือธรรมทั้งแท่งธรรทั้งดุน้นเพราะฉะนั้นธรรมทั้งแท่ทั้งดุนที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นพวกเราสามารถเจริญได้สามารถตั้งใจศึกษาได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามได้ด้วยความตั้งอกตั้งใจขคือชื่อว่าโชคลาภมหาสาล ไม่มีอะไรเกินพวก เ, เราชาวพุทธเราได้ทั้งข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเราได้ประโยชน์จากการตั้งใจปฏิบัติเพื่อสัมปรายภพที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกธรรประโยชน์เรามีประโยชน์อย่างยิ่งที่เรียวกว่าประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรผลนิภานเราจะพอใจอยู่แค่ประโยชน์ในปัจจุบันเราก็ตั้งใจแสวงหาเกิดความร่ำรวยขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่แสวงหา ปัจจัยเพื่อสัาปรายาพบแล้วเราก็มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยสะดวกสบายแค่ในอัตภาพนี้แต่ถ้าตั้งใจสองหาเพื่อประโยชน์ในภพหน้าถ้าในเรามีศรัทธามีศีลมีจากขัสมีปัญญาสัมปรายาพบเราไม่พลาดเราจะต้องไปประสบความสุขความเจริญอย่างนี้แท้จริงถ้าเราต้องการประโยชน์อย่างยิ่งคือมาผลนิพพานเราก็ตั้งใจปฏิบัติออกเป็นเอาตายใส่เข้าไปเพราะเราไม่โอกาสแล้ว มันไม่มีหัวใจของใครเท่ากับหัวใจของมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่มีความสามารถสามารถําเพรทเจริญจนถึงที่สุดสูงสุดชาระชำระล้างกลียดให้หมดกลื่ไปจากหัวใจสามารถทําได้ถ้ากไม่ตั้งใจเดินตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่าสอนเอาไว้แล้วเราพยายามทำตัวเองให้แล้วสุดๆจนถึงขั้นสุดๆดเราสามารถทําได้ มันเหมนไม่เหมือนสัตว์เดชาสัตว์ชาเขาพัฒนาไม่ขึ้นพัฒนาไปไม่ขึ้นเพราะภพชาติของเขาเป็นภพชาติที่ถูกจํากัดด้วยผลโดวยวิบากของกรรมแต่มันสมองของมนุษย์พัฒนาไปได้ดีได้ละเอียดอย่างยิ่งยกเว้นบ้าใบวิกลวิกาเพราะอะไรเพราะกรรมมันทับถมเอาไว้กรรมมันจํากัดเอาไว้เรื่องเหล่านี้มันไม่พ้นกรรมคำจํากัดเอาไว้ทําให้เขาต้องพลาดจากประโยชน์ ทำให้วิกลจริตผิดมนุษย์วิกลวิการไม่สามารถจะเจริญสติได้หลบเลอะหลงลืมที่เรียกว่าคนบ้าคนบ้าแต่ถ้ารู้คือผู้รู้เขามีไหมมีแต่ที่จะบพลิดสติปัญญาไม่เจริญเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาทําไม่ได้เพราะกรรมมันจํากัดอย่าลืมว่ากรรมจํากัดในทีนี้มันสามารถจํากัดได้ทั้ง กายกรรมทั้งวัจจีกรรมทั้งมโนกรรมสามกรรมนี้เราจํากัดกายกรรมวัจจีกรรมด้วยศีลเราจํากัดจิตของเราคือนามธรรมของเรามโนกรรมของเราด้วยสมถะและด้วยวิปัสสนาเราสามารถจํากัดได้ถึงที่สุดเต็มที่เราเข้าถึงประมังสุขขันเพราะฉะนั้นการเข้าไปสงบ ระดับของสงขามทั้งหลายทั้งปวงล่านี้เป็นความสุขและมีความสุขจริงดังพรานามาน่าจะพอสมควรเกิเวลาเอวังด้วยประการานี้